สำหรับตอนนี้ไปก็อขอพูดสรุปในความการปฏิบัติเพื่อพราอนาคามีมัตเพื่อถึงความพระนาคามีผลใ <c oughs> นสำหรับพระนาคามีตัดสนโยตสองคือการมาชฉันทะกับปฏิฆะการมาชฉันทะ เราใช้สมถะควบด้วยกายคตานุสติร่าสุขกรรมฐานให้เกิดคณิติธา ย, ยานความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนรละสัตว์วัตถุโดยใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความสกปรก โ, โสโคร ไม่มีร่างกายของคนรสัตว์หรือวัตถุประเภทใดที่จะมีความสะอาดสวยสดงกงามมีกานท่งตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของคนรสัตว์เต็มไปด้วยความสุขรกมีมูมดรการีคือมูดหรือคูดเต็มไปหมดมีน้ำเลือดสาเหลืองน้ำหนอ ง, นองเต็มไปหมดที่เจรนากะมาถานกองนี้ให้เกิดเป็นนิพิทา ย, ยานคือใช้รมกิจให้เข้มแข็ง คือาการใชอารมณ์จิตให้เข้มแข็งและไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาผีทรงฌานการอย่างนั้นเป็นการฝึกพระจิตทรงตัวอารมณ์จิตที่เข้มแข็งจริงๆก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า ม, มีสภาพตามดีกล่าวมาแล้วและนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตอง น, นี้เ็พิจรารณาไปดูวา่าโรคของคนแลสัตว์ที่เราเรียกกันว่าการห่า นอกจากว่ามันจะมีการสกปรกแล้วก็จะมีความไม่เที่ยงคือมีความเสื่อมไปเป็นปกติในที่สุดมันก็ถึงการสลายตัวถ้าเราเอาจิตไปยึดถือในกามารมณ์หรือกามประชันทะพอใจในความสวยของรูปพอใจในความขอมของกลิ่นพอใจในเสียงเพราะความเพราะของเสียง พอใจในรสความอรรถอร่อยของการสัมผัสอย่างนี้เป็นตน้นก็ชื่อ ว, ว่าเรางโง่เกินไปไม่ได้พิจรารณาหาความเป็นจริงรู้แล้วว่าทั้งหมดนี้รูปเสียงเสียนรถถู้สึสัมผัสตัวดีมีความสงบสกหน้าสิอิสิเอีย น, นและนนอกจากนั้นก็มีการทําลายตัวเองอยู่เป็นปกติไม่มีการทรงตัว สำหรับปฏิฆะแล้วก็ใช้คมวิหารสีให้เข้าทั้งจุดเป็นจับระดับอภัยธานนี่เป็นเรื่องของสิทธาคามีสำหรับอนาคามีไม่ไม่ทำให้ปฏิฆะเกิดขึ้นเลยคำว่าปฏิฆะนีการกระทบกระทั่งอารมณ์ของจิตที่จะก่าปวิธียังก็ไม่ถึงกับโกรธ ก็โกรธจัดแล้วไม่ถึงกับความวกโกรธเทาไว้เพียงว่ากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีสำหรับเราซึ่งเป็นท่านนาธามีทั้งนี้พรอะไรเพราะว่าเรามีความรู้สึกอยู่ว่าถ้อยคำของคนนจรตยาของคนมเม่ไดสร้างความดีและวม่สร้างความเลวให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะดีที่ว่าเราจะเรียบคงยุ่ิการปฏิบัติของตัวเราโดยเฉพาะฉะนั้นห้อยคำของบุคคลต่างๆที่จะชมก็ดี ส, สรรเสงก็ดีไม่สนใจเราไม่เป็นท่าท้งการนินทาดสรรเสริญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโดยมีความรู้สึกว่าคนที่สร้างความเร่าร้อนในทางวาจาในทางกาย ใครเกิดขึ้นกับเราก็คนประเภทนี้เขาไม่มีอิสระในตัวนี่ปกติในความเป็นทาตอย่างนี้เราจะต้องมีความรู้สึกเสมอว่าคนพวกนี้เขาเป็นทาตก็ไม่ได้เป็นไทยคําว่าไทยก็หมายถึงว่าอิสระภาพความอิสระขั้นตัวเองค <c oughs> าว่าทาตในที่นี้ก็เป็นทาตของกิเลสความเศร้าหมองของจิต ปล่อยให้จิตเขาสกปรกผู้เดินอำนาจของอกุศลกรรมเมื่อมีความเร็วสามหมุนไปเด้วยน่ายของตัณหาเมื่อจิตมีความเศร้าหมองด้วยน่ายอกุศลกรรมจิตของดวงนั้นก็เป็นสภาว่าที่จิตสกปรกร ก, ก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโกรธปราศจากความผ่องใสในการโ้จิงเหมือนกับในตาของเราที่ถูกเข้าของดำเข้ามาปก ย่ไม่ทราบความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชั่วยังนนคนที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทายคือความยึดมั่นคิดว่าตัวจะไม่ตายตัวจะไม่แก่คิดว่าความชั่วที่ทำไปมันเป็นผลของความดีเป็นผลของความสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นผลทำให้เกิดความเร่าร้อนเกิดขึ้นภายหลังคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสาร ในเมื่อเขทําชั่วขึ้นมาแทนที่เราจะโกรธกลบับมีความเมตตาว่าน่าสิ่นดายที่คนประเภทนี้กว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ก็แสนลาบากเขายอมไปเกียวแต่กายขึ้นมาจากนรกจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเปสุรกายจากสุรกายมาเป็นสติฉันกว่าจะมาเป็นสติฉันได้มาเป็นคนก็แสนได้ยากแสนยาก ก็เกิดขึ้นมาเป็นคนได้แล้วกับประสร้างความชั่วไม่สัมรวมกายไม่สัรวมวาจาไม่สัมรวมจิตคิดไว้แต่ในด้านอิจฉาดุษย์ยาบุคุณอื่นหวังทำลายบุคุณอื่นให้เสี่ยงจากความดีคนประเภทนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีความชั่วล้นจากใจเข้ามาทั้งกายและวาจา ถ้าจะเทียบกันกับเราซึ่งทรงจิตอยู่ระดับในความดีก็ไปอันว่าคนประเภทนี้ถ้าจะเปรียบกันไปจะเปรียบกับสตีฉายกับคนก็ยัเท่าไม่ได้เพราะสภาวะที่เขาทำมันเป็นสภาวะตวศนรกเราไม่ถือโทษโปรดเขาเราไม่คิดจะทำร้ายเขาเราไม่คิดจะโต้ตอบเขา แทนที่เราจะคิดอย่างนั้นเรากับสงสารเว่าเขาจะโง่เง่าเต่า ต, ตุนอะไรอย่างนี้มาเป็นคนได้ น, นิดเดียวใช้วเวลาไม่กี่ปีก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลงไปสู่นระกใหม่นี่ทํากําลังใจของเรให้เกิดความรู้สึกแทนที่โกรธกับเขมีความเมตตาปราณีกับมีสงสารถ้าโอกาสมีผมก็เกื้อกูลให้มีความสุข แล้วเราจะไม่ฉาดเฉิยาเขาถ้าเขาจะได้ดีร็ยินดีด้วยเราไม่ซ้ำเติมไม่ให้เขาทำความชั่วคือเขาทำความชั่วแล้วแทนที่เราจะย่อเขาชั่วมากขึ้นเราเฉยเสียเพราะเราไม่ยอมรับเพราเราไม่รับนปล่อยมันไปนี่เรื่อว่าพระอนาคามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า เป็นผู้หนักอยู่ในอาิีพจิตสิกาหมายความว่ามีอารมณ์ทรงตัวอาชีพจิตสิกขานี่ตอนจะลืมเพราะเราพูดอยู่เสมอก็ได้แก่มีสมาธิมั่นคงสนามาธิมั่นคงนั้นไม่ใช่ในยามที่เราจะไปนั่งสมาธิหลับตากำหนดรูปเฉพาะให้จิตมันทรงตัวอย่างนี้เพื่ออารมณ์ ขณะใดที่มีความรู้สึกอยู่เรารังเกียจในรูปของคนแลสัตว์รังเกียจในเสียงของคนแลสัตว์รังเกียจในกลิ่นต่างๆรังเกียจในรสรังเกียจในการสัมผัสจิตไม่เหมาะสมในกามารมณ์ทั้งนี้เห็นว่ากามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์ กามารมเป็นปัจจัยของความสกป ร, รกโสม ม, มเป็นของน่าเกลียดกามารมเป็นเครื่องทวงให้เราเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเราจะมีแต่ความลำบากยากแค้นเราจะหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้ใจคิดไว้อย่างนี้เป็นปกติสิ่งที่เราจะพึงหวังนั่นก็คือพระนิพพาน ตั้งใจไว้ว่าเราพยายามทำลายกามารมณ์ไม่เกิดขึ้นในจิตของเราก็เพื่อเป็นการสร้างความเบาให้เข้าถึงพระนิพพานเราไม่ยอมรับคำนินทาและสังเสินใดๆที่มีอารมณ์กระทบจิตถ้านายขามีนี้ไม่ทําให้จิตโกรธเพราะคาว่าโกรธไม่มีเห็นในพิว่าอารมณ์ใดๆเข้ามากระทบปับ๊บทำมันร่วงหล่นไปทันที จิตไม่หวั่นไหวไปตามนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำถ้อยคำขององค์สมเด็จพระพุทธกวันที่สุภิยะบริพาชกกำลันธํมานกลุงกับหลานมีความค่ายข้มมีความเห็นไม่ค่าศึกซึ่งกันและกันสำหรับท่านลุงนินทาพระรัตนตรยัยมีพ ร, พระพุทธเจ้าเป็นตนต้อลอยขึ้นอย่างลูงไม่ได้หลับไม่ได้นอน ตอนงนี้พ่อใหญ่พเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินาวร์และบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีความสงบงเฉงย่ยมบน่ารักน่าชื่นชแต่บรรดารูปสี่ขั้ว ต, ตนเ ก, นกลื่อนกลนแสดงการลุกขึ้นลุกลนเล่นหัวกันหยอกล้อกันไม่มีการสัมรวมแทนที่เขาจะเห็นความดีพระ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและพระสงฆ์ <c oughs> กลับมีอารมณ์อิจฉาทิฏยาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นอันุวาเขาก็เลยนั่งลินทาพระพุทธเจ้าด้วยนั่งนินทาพระสงฆ์ด้วยตลอดขีดสำหรับนันธมานุผููเป็นหลานชายกลับมีคติเห็นพ่อเห้นตรงกันข้ามกับท่านโลกเห็นว่าพระพุทธเจ้าดี เห็นว่าประสงค์ดีมีระเบียบเพื่อพลอยดีกราบนั่งสรนเสริญองค์สมเด็จพระจินัสสีบรมศาสดาตลอดวันตลอดคืนเหมือนกันลุงนินทาพระรัตนตรยัยหลานสันเสริญพระรัตนตรยัยอยู่ในที่เดียวกันคนสองคนมีถ้อยคําเป็นฆ่าศึกสิ่งแคลลกันเมื่อในตอนเชา้าบรรดารประสงค์เป็นธาบาตทาราบข่าว จึงเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระพุวันกราบูในสงทราบตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระป่าเจ้าจึงได้แสดงปัตธรมรนติสนาณบรรดาประสงทั้งหลายว่าพิฆ เ, เวดูกนปิสุททั้งหลายนินทาระัาสาเป็นโล ก, กธรรมดาทันทีว่าเป็นธรรมดาของโลกคนที่เกิดมาในโลกทั้งหมด จะคนการนินทาไม่มีตามพมวาลีวัตะติโลเกอเนนฮิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกเช่นนั้นพวกเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนั้นสนเสริญและทำนินทาเราจะไม่ชั่วไม่เมื่อเราทำความดีมีชาวบ่ายคนนินทาเราก็จะไม่ชั่วไปตามคำเขาว่าถ้าเราเลว เขาแย่สนเสินเราเพียงใดก็ดีเราก็จะไม่เหลวไปตามเขาเราก็จะไม่ดีไปตามคาสันเซินนั้นขอเถิดทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคํานิทานในั น, น, นเซินที่ว่าธรรมดาของสัตว์ที่เกิดมาในโลกต้องมีสภาวะกระทุกกะทั่งแบบนี้ทั้งหมดและองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็ทรงแนะนำให้บรรดาผิ้สุธาหลายทรงอารมณ์จิต ไม่ยอมรับท้อยคำทั้งซ้อมแต่การทั้งคำนินทาแต่สรเสริญคำว่าไม่ยอมรับก็คือไม่สนใจนินทาก็ช่างสรรเสริญก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเข้าไว้นี่เป็นอนุว่าเราแข่งในด้านเห็นว่าคนอื่นเขาเร็วรวงความว่าเราจะไม่ยอมเอาทองเข้าไปเสียดสีกับบจาระ ที่ว่าประทโบราณบอกว่าไม่ยอมอาพิมเสนไปแรกเกลือเอาเนื้อไปแลกหนังกินเฉงข้ามันสูงกว่าเกลือเนื้อข้ามมันสูงกว่าหนังนี้เมื่อเราส่งอารมณ์จิตให้ได้ในความดีเิ้งคนอื่นถ้าทําความชัว่วเราก็ปล่อยให้เขาชั่วไปแต่ฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชั่วด้วย ในขณะที่เราไม่ยอมชั่วด้วยจิตเราก็ไม่สนใจในความชั่วของเขาเขาจะเต่นแลนแต่งกายเป็นรประการใดเราก็คิดว่าเขาตั้งใจไปในรกก็ช่างเขาเถอะเราไม่ไปกับเขาใจเราสบายนี่ต้องไมมีอารมณ์จิตสบายแบบนี้มีความรู้สึกอยู่เสมอเมื่อจิตของเราเป็นสุขทิ้งความสวยสดงงามข้ารูปสมนมพันต่างๆ เห็นปับความรู้สึกเกิดทันทีเพราะสภาพของรูปนี้มันเป็นอสุภสัญญาก็ไมหมายความวามันเป็นของสกปรกต้องมีสติสัมปชัญญะคุมตามปกติและก็ตัดอารมณ์คำว่าสวยสดงงามออกได้จริงๆโดยพิจรินายห็นว่าร่างกายของคนแลชสัตว์แม้แต่คนเราก็ตาม มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีอยวนาจที่จะโอบมันเรื่องกายของคนทุกคนต้องกายความสะอาดวิญญาณชำระล้างร่างกายภายนอกคือผิวแต่และแล้วมันก็สกปรกเป็นเหลือใครมันชำระล้างกันตลอดวัน แต่ถ้าว่าไอ้เหงื่อใครที่มันสกปรกนี่มันมาจากไหนมันมาจากภายในของร่างกายเพราะไตร่างกายเตรียมไปส่วนสกปรกทั้งหมดหาอะไรสะอาดไม่ได้เลยนี่ทำความรู้สึกให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงนอกจากสกปรกแล้วมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันมีความแปรปรวนเสื่อมไปไป็นกลางมีการสลายโทไปในสุดในเมื่อมันพัง เรายึดทีอร่างกายของเราก็เป็นเราเป็นของเราคนดีไปพยายามรักร่างกายเขาคนอื่นก็ดีในที่สุดร่างกายในสองประเภทนี้ก็ไม่สามารถจะควบคุมไปได้มันสลายตัวในที่สุดก็ไม่ใช่ไม่ใช่สมบัติของเราสักอย่างเลยเป็นอันว่ามันเป็นสมบัติของโลกจิตเป็นที่อาศัยเป็นเป็นผู้อาศัยร่างกายชั่วคราวเท่านั้น เพราะเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ได้อาศัยกันในการชำระจิตถ้าจิตของเราสกปรกจะมีความลหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉมนมพันต่างๆเป็นต้นก็ดีจิตของเราจะรับซากปริฆะความกระทบกระทั่งทางจิตแล้วจะได้ความดีคือความสันเสริญได้ความช่วคือการเดินทา ก็ชีว่าจิตของเราเลวมากเกินไปจิตใจของเราน้อมไปในอบายภูมินี่เราต้องพยายามรู้ตัวอยู่เสมอพยายามประนามจิตของเราไว้ดูจิตดูจิตของเราอย่าไปดูจิตของคนอื่นคนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พระทุกองค์เนทุกองค์เราพูดกันในตอนเย็นทุกวันว่ามีพระมีหานศี เป็นอคติสีทรงอิทิบาทสีนี่ถ้ามีพูดกันอย่างนี้อยู่ตลอดวันทุกวันแล้วยังมีอารมณ์เลวก็วินาศเสียดายอย่างเดียวเว่าท่านหลายๆจะต้องกลับไปสู่นรลลกใหม่เจริจะมีความรู้สึกใจประนามใจไว้ะโบติอย่าท่านนองตนว่าเป็นคนดี เรารู้สึกว่าเราดีเมื่อไร่ก็จะทราบว่านั่นเราเล็วมากเกินไปสําหรับที่คนอื่นเขาจะยอมรับรับถือว่าเราเป็นคนดีอยู่บ้างคําว่าดีอยู่บ้างไม่มีสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไอ้คำมารู้สึกว่าตัวดีนี่มันเป็นมาระกิเลสแล้วมันก็แบกความชัว่วเขาไว้ทั้งหมดอมความชัว่วเข้าไว้ทั้งหมด เราขัาประครรองความชั่วเขาไว้ทั้งหมดทั้งนี้พอะไรเพราเราไม่มองตัวเลวเพื่อจรับรึงเอาความเลวเขาไว้เต็มใจได้มาลงของใจและเมื่อมีความรู้สึกว่าตัวเขาก็าดีแต่ไม่มองความชั่วของตัวก็เที่ยวเสียดสีชาวบ้านแล้ใครชาวบ้านทาลายความสุก ข, ของชาวบ้านและาการอย่างนี้งจงทราบ ว่านิกิเลตมันมันล้นใจมาถึงกายระวาจาจเร็วเกินขอดีและเมื่ออารมณ์จิตคิดมาได้แล้วก็จงภาวนาไว้ว่านารกเป็นที่อยู่ของเรานี่นานหลายแสนกับที่เรากลับจะจงกลับมาเก่ดเป็นคนได้ถ้าเรามีความพอใจก็จงสร้างความเร็วอย่างนั้นไว้เป็นปกติ สังคมเห็นคนดีเขาไมา่ยอมรับสักวันหนึ่งขนาเขาก็คงจะไล่เราออกไปจากสังคมนั้นเขาไม่มีใครเขาปรารถนานอกจากเขาจะไล่เราไปก่อนที่เราเขาจะไล่เราก็มีแต่วความร้อนใจในเมื่อคนบุคคลใดก็ตามเขาพูดเทึงความเลวขึ้นมาเมื่อไรเราก็สเสียใจไม่นั้นคิดว่าเขาด่าเราเรื่อความจริงไม่มีใครก็ด่า เขาก็ น, นามว่าความเร็วมันเป็นของไม่ดีเรามีสภาพันอัวสันหลังบะพอเขพูดเข้ากระทบนิดก็เข้าใจว่าเขาด่าเราที่อารมณ์อย่างนี้มันเป็นความเร็วของเราความเร็วนี้จะนำเราลงนรกก็ต้องเป็นเปรตเป็นอสุอกายเป็นสัตว์ประชานกว่าจะมาเป็นคนที่มีสติ ผลพันธุน์ยับยกขอไปสมาชีวะสมาธิิเป็นของยากน่าเสดายการเวลาที่เราพยายามทำความดีเข้ามาเกิดเป็นคนนี่จุ่บรรนมตนไม่เป็นปกติอย่าชมตัวเองแล้วก็จงรู้ตัวเองรู้ตัวไว้เสมอว่าเราเลวอยู่เสมอเราจะระมัดระวังความเลวไม่เกิดขึ้น จะทำลายมันเสจะส่งไว้แต่ความดีจุดแห่งพระอนาคามีก็คุมจิตเสวาเราจะไม่เห็นว่ารูปใดๆเป็นของสวยไม่มีความรู้สึกว่าเสียงใดๆมีความไปเราะจับใจจนลืมไม่ลงจะไม่ติดใจในขินดเดนใดเพราะว่าสภาพมันสลายตัวง่ายจะไม่หลงไหลไปฝันในรถเรถไม่มีความหมาย ผ่นลินแล้วก็หายไปจะไม่มีความต้องการสัมผัส ใ, ใดๆในระหว่างเพิดเพราะร่างกายคนแต่ละคนสกปรกเราไม่ต้องการเพราะร่างกายทุกร่างกา ย, ร, ากายร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมีสภาพเหมือนถุงใส่อุจจาระในถุงมันก็บางแขนบางกลิ่นไอความซึมซาบของอุจจาระมันซึมออกมานอกถุง สแสดงว่าเป็นเสียงน่าระเกียจตัดอารมณ์นี้เส้นได้เติมนาจสมถะคือกายกตาสติและสุภกรรมฐานแล้วตัดอารมณ์มีความต้องการเพื่อโดยส ก, กายญติติคือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขามันเป็นเรือนอาศัยของจิตโชคลาเท่าทนั้นชําระจิตให้โปร่งใสถ้าจิตใจของเรารักษาลมอยา่างนี้ได้เพื่เ อ, อกกตตาทมโดยไม่ต้องระวัง แล้วรักษาอารมความโกรธความเมื่ยบายความไม่พอใจในท่าข้อยกรรมใดๆที่เกิดขึ้นกับเราโดยมีจิตมีความสุขรับฟังคำคำนันเสงี่ก็ไม่สนใจรับฟังคํานินทาว่าร้ายเสียสีก็ไม่สนใจอารมณ์ ม, มสัสมายมีความสุขมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระธรรมแตรัย มีกำลังใจไม่ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นอารมณ์อยากมีกำลังใจไม่สนใจกากสมนมุนผันไม่มีความพอใจในระหว่างเพลิดจิตใจของเราไม่หาเหตุในการกระทบจิตคือไม่มีความหวั่นไหวเป็นสังขารกเปือขายานคือมีความวางเฉยเป็นปกติอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นปกติไม่ใช่ขณะใ ด, ดขณะหนึ่งไม่เกิดขึ้น เมื่อทรงอารมณ์อย่างนีได้ก็ชื่อว่าเราเป็นพระโสดาปัสิผลเป็นพระอญญายะคคลที่ไม่ลงกลับพรเถิดเป็นมนุษย์ตายจากคนไปเป็นเทวดาแล้วผมแล้วก็หนีผ่านบนนั้นพระบรรดาท่านโพธบริษัททุกท่านทำใดที่เป็นกล่าวต่อไปก็หมดเวลาเสร็จแล้วอทอดไปนิพพพระบรรดาท่านอย่างาย ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้ใหม่กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัทยาสายเช่งกว่าจะดยินท่งนญาณบอกหมดเวลา